จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สามคุมาพันพุทธศักราชส5 5 6ัราเป็นวันพระวันธรรมวัวนาวันฟังธรรมวันท ร, รหน้าที่ทากิจของพระพุทธ ของพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้เพื่อเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดเรู้คือทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ทางที่จะพาให้ไปสู่ ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงและถาวรไม่มีใครรู้จากทางนี้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้พบทานอันประเสริฐนี้สัตว์โลกจะไม่มีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย จะต้องกับมาเกิดแก่เจ็บตายรอบแล้วรอบเล่าไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เจริญมักให้มากมักที่มีองค์แปดที่เป็นทางสู่ความดับทุกข์ทางสู่สวรรค์ ชั้นต่ตางๆจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดก็คือพระนิพพานนี่คือทางที่พระพุธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วได้ดำเนินมาแล้วได้บรรลุถึงความสุขที่ถาวรได้บรรลุถึงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจึงได้นำเอามาเผยแผ่สังสอนให้แก่ พุทธศาสนกชนถ้าเราอยากจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงเราก็ต้องปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดูพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเป็นเยี่ยงอย่างว่าท่านดำเนินอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรถ้าเราอยากจะได้ผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับเราก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันเพราะนี่คือหลักของเหตุและผลนั่นเองผลจะเกิดที่เหตุผลไม่ได้เกิดจากความเชื่อเฉยๆเชื่อพระพุทธเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์แต่ไม่ปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเชื่อแล้วก็ต้องปฏิบัติ เหมือนเชื่อหมอหมอบอกให้รับประทานยาให้ระ ง, งับการดื่มสราระ ง, งับการสูบบุหรี่ระ ง, งับการรับประทานของมันๆของหวานๆต่างๆถ้าเชื่อหมอแต่ไม่ทตาตามหมอโรค ก, ก็จะไม่หายโรคจะหายก็ต่อเมื่อเราทตาตามที่หมอสั่งเพราพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นเหมือนหมอ หมอที่รักษาโรคใจพวกเราทุกคนมีโรคใจคืออะไรก็คือความไม่สบายอกไม่สบายใจความวิตกวกังวลความหวาดกลัวความว้าวุ่นขุ่นหมวความเศร้าโศกเสียใจอะไรอววรกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายนี่คือความทุกข์ใจที่พวกเราลักษ์โลกทั้งหลาย มีกันทุกๆคนไม่มียกเว้นยกเว้นแต่พระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกเท่านั้นที่ท่านได้รักษาโรคใจของท่านให้หมดสิ้นไปแล้วด้วยมรดุด้วยยาคือธรรมโอสถธรรมโอสถนี้ก็คือมรดแปดนี่เองมรคที่มีองค์8ดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนผู้ใดสามารถ สร้างมรรคที่มีองค์แปดให้ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจะไม่มีความทุกข์ตามมาอีกต่อไปจะไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายตามมาอีกต่อไปจะอยู่ในสวรรค์ชั้นพระนิพพานไปตลอดอนันตการมีแต่พลังสุขขังปลมังสุขขังคือมีความสุข ที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ความสุขที่ถาวร น, นี่คือผลที่เราจะได้รับจากการมาทําหน้าที่ของเราเพวกเราเกิดมาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอนเราจะไม่รู้ว่าเราเกิดมาทําไมกันเกิดมาแล้วทําอะไรเพราะสิ่งที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้ ทำไปอย่างไรมันก็ยังหนีความทุกข์ไม่พ้นอยู่ดีทำไปตั้งแต่เกิดนาะจนถึงแก่จนถึงเวลาตายไปความทุกข์มันก็ยังเป็นเหมือนเงาตามตัวเรามาตลอดเวลาไม่ว่าเราจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ตามความทุกข์มันก็ไม่หมดไปไม่ว่าเราจะเป็นมหาเศรษฐีเป็นมหากษตร เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรก็ตามเป็นขอทานก็เหมือนกันหมดยังมีความทุกข์ติดตามมาตลอดเวลาทุกข์กับเรื่องอะไรเรื่องหลักๆ ก, ก็คือเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของการพัดพรากจากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เรารักนี่คือความทุกข์ที่มีอยู่กับพวกเราทุกคน และเรายังไม่รู้จักวิธีที่จะดับความทุกข์เหล่านี้ได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปแล้วมาทรงสั่งสอนพวกเราก็ยังจะต้องทุกข์ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาทรงสอนแล้วถ้ามีศรัทธาความเชื่อแล้วมีความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอน เราก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ดังที่พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นกันแล้วตอนที่ก่อนที่ท่านจะได้เป็นพระอาหารหันต์ท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนพวกเราที่มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับความพัดพลาคจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบ แต่พอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เจริญมรรคที่มีองค์8ปดแล้วสามารถจเจริญได้ทำตามได้ท่านก็สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของท่านได้พวกเราก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้เช่นเดียวกัน ดับการเวียนว่าตายเกิดได้ถ้าเราเจรินมรรคที่มีองค์8ดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือการเจริญมรรคนี้เองถ้าใครถามว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อมาเจริญมรรคที่มีองค์8เพราะมรรคที่เป็นองค์8นี้ก็เป็นเหมือนเครื่องดับเพลิงเหมือนน้ำดับเพลิงถ้าเราอยากจะดับไฟที่กำลังไหม้บ้านเราอยู่ เราต้องมีน้ามีเครื่องดับไฟฉันใดถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราที่เหมือนไฟที่เผาหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องมีเครื่องดับเพลิงต้องมีน้ำดับเพลิง <c oughs> เครื่องที่จะดับเพลิงน้ำที่จะดับเพลิงนี้ก็คือมรรคที่มีองค์แปนี่เอง องแปดก็คือคุณธรรมหรือคุณสมบัติแปดประการด้วยกันที่เราพึงจะมีอยู่ภายในใจของเราก็คือ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปโปะความดำหริอชอบ 3. สัมมากัมมันโตคือการกระทำชอบ 4. สัมมาวาจาคือวาจาชอบ 5. สัมมาอาชีวมีอาชีพสัมมาอาชีพมีอาชีพที่ถูกต้องที่ชอบ 6. มีสัมมากรรมสัมมาวายามโมคือมีความขยันหมั่นเพียรที่ชอบ 7. มีสัมมาสติความระลึกมั่นความระลึกที่ชอบและแปะสัมมาสมาธิ ความตั้งมั่นที่ชอบนี่คือคุณสมบัติที่เราจะต้องสร้างขึ้นขึ้นมาภายในใจของเราให้ได้เพราะถ้าเรามีคุณสมบัติทั้ง8ปประการนี้แล้วรับรองได้ว่าเราจะมีเครื่องดับไฟคือดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราได้หมดสิ้นไปอย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงดับไฟ ด้วยมรที่มีองแป8นี้แล้วพาาาระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ได้ดับไฟคือความทุกข์ที่มีอยู่ในใจด้วยมรที่มีองแป8นี้เช่นเดียวกันพวกเราถ้ามีมรที่มีองแป8เราก็จะสามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราได้เช่นเดียวกันนี่คืองานของเรางานของมนุษย์ ไม่มีใครสามารถทำงานนี้ได้เท่ากับมนุษย์ถ้าไปเกิดเป็นเดราจฉานก็จะไม่รู้จะไม่รู้ว่าตนเองเกิดมาทำไมเพราะจะไม่มีใครสอนได้เพราะพูดภาษากันไม่รู้เรื่องมนุษย์ไม่สามารถสอนสุนัขให้เจริญมากที่มีองค์แบบได้ต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นถึงจะมีความสามารถที่จะรับรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้ ดังนั้นพวกเราจึงถือว่ามีบุญมีวาสนามากที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบกับพ่อพุทธศาสนาที่สอนเราว่าหน้าที่ของเราก็คือการเจริญมรรคแปถ้าเราอยากจะมีความสุขอยากจะดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจของเรานี่คือมรรคแปที่เราจะต้องเจริญ ข้อที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องพวกเราทุกวันนี้มีความเห็นที่ไม่ถูกต้องคือหนึ่งเราไม่เห็นว่ามีนรกมีสวรรค์เราไม่เห็นว่ามีบุญมีบาบมีกรรมมีการเวียนว่ายตายเกิดเราไม่เห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นเรื่องธรรมดามีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่ มีเจ็บมีตายถ้าไปยึดไปติดไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือความเห็นที่เราไม่เห็นที่ถูกต้องเราต้องเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าบุญนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้เกิดสวรรค์ขึ้นมาภายในใจ บาปนี้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดนรกขึ้นมาภายในใจการตัดกิเลสคือตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเป็นการยุติการเวียนว่ายตายเกิดเพราะความอยากต่างๆนี้เป็นเหมือนเชื้อเพลิงนั่นเองถ้ายัางเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในกองไฟอยู่ไฟก็จะไม่สามารถดับไปได้ แต่ถ้าเอาถ้าไม่เติมเชื้อเพลิงเข้าไปในกองไฟพอเชื้อเพลิงเก่าไหมหมดแล้วไฟก็จะดับไปเองฉันใดเชื้อเพลิงแห่งเชื้อแห่งการเกิดแก่เจ็บตายก็คือความอยากต่างๆนี้เองเช่นอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชที่เรียกว่ากามาานกตัณหาความอยากมีอยากเป็น ที่เรียกว่าภาวะตันหาน่ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตันหาความอยากทั้งสามประการนี่แหละที่เป็นเชื้อของภบของชาถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องหยุดเติมเชื้อเข้าไปในใจของเราคือเราต้องหยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้ สิ่งที่จะหยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้ก็คือมรรคที่มีองค์แปดนี้เองดังนั้นเราจึงควรสร้างความเห็นที่ถูกต้องอยู่เรื่อยๆด้วยการเข้าหาพระพุทธเจ้าหาพระอาหารหันตสาวกฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมของพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านจะสอนให้เราเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกเชื่อสวรรค์ เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและเชื่อเรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราฟังเทศบ่อยๆแล้วเราก็จะไม่สงสัยเราจะเห็นเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงรูทรงเห็นว่านารบมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องหยุดความอยากทั้งสาม ด้วยการเจริญมรดุด้วยการด้วยการเจริญมรดที่มีองค์านี่คือมรรคข้อที่หนึ่งเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องมรรคข้อที่สองก็คือความคิดที่ถูกต้องพอเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็จะคิดอย่างถูกต้องถ้าเราเห็นว่านาลกมีจริงเราก็จะเชื่อในเรื่องบาว่าเป็นเหตุที่จะทําให้เรา ไปตกนรกเราก็จะไม่ทําบาปเช่นวันนี้เราก็มารักษาศีลห้ากันนี่คือวิธีไม่ทําบาปด้วยการรักษาศีลห้าแล้วเราก็เห็นว่าสวรรค์มีจริงสวรรค์เกิดจากการทําบุญเราอยากจะไปสวรรค์เราอยากจะมีความสุข <c oughs> เราก็ต้องทําบุญกันอย่างที่ท่านทั้งหลายมาทําบุญกันในวันนี้เรียกว่ามา สร้างสวรรค์กันถ้าเรารู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดจากเกิดจากการเกิดจากความอยากทั้งหลายเราก็ต้องมาคิดว่าต่อไปนี้เราจะต้องไม่อยากไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากดูไม่อยากฟังอยากจะทำใจให้สงบเพื่อที่จะหยุดความอยากต่างๆให้ได้เท่านั้นนี่คือความคิดของเรา เช่นคิดมาวัดในวันพระมาทำบุญมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาอย่างนี้เรียกว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องเพราะจะเป็นความคิดที่จะพาไปสู่การปฏิบัติต่อไปการปฏิบัติก็คือข้อที่สามเรียกว่าสัมมากรรมโตแปลว่าการกระทําชอบ การกระทำชอบก็คือการไม่ทำบาปนี้เองดังที่เราได้สมาทานสีงกันเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่เสพชูลายามาไม่พูดปดและถ้าวันพระเราก็จะเตินเข้าไปอีกสามข้อคือจะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะไม่หาความสุขจากเครื่องบรรเทิงต่างๆ เช่นไม่ไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปดูมหอศศพร้องลําทําเพลงต่างๆแล้วเราจะไม่นอนบนฟูกหนาๆเราจะนอนบนพื้นไม้ปู ด, ด้วยผ้าหรือปู ด, ด้วยเสือ่อเพื่อที่เราจะได้ไม่นอนมากเกินไปถ้าเรานอนด้วยบนพื้นแข็งๆนี้เวลาร่างกายได้รับการพักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆ พอร่างกายตื่นขึ้นมาแล้วใจยังไม่อยากจะตื่นก็จะนอนต่อก็จะเสียเวลาอันมีค่าเพราะเวลาของเหานี้ไม่แน่นอนว่าจะบกไปเมื่อไหร่ถ้าเราไม่รีบสร้างมรรคสร้างเครื่องดับเพลิงเราอาจจะไม่สามารถสร้างได้ถ้าเกิดเราต้องตายไปก่อนดังนั้นในขณะที่เรามีเวลาเราควรที่จะทุ่มเทให้กับการจเจริญมรรค สร้างมรรคขึ้นมาด้วยการมาวัดอย่างที่ท่านได้มากันในวันนี้<ม>นี่เรียกว่าสัมมากรรมันโตส่วนสัมมาวาจาคือการพูดหรือวาจาชอบวาจาที่ถูกต้องก็คือหนึ่งไม่พูดคำหยาบสองไม่พูดปดสมไม่พูดเพ้อเจ้อสไม่พูดคำพรุศว่า ถ้าไม่พูดส่อเสียดยุยงให้ผู้อื่นแตกความสามัคคีไปคำพูดที่ไม่เป็นประโยชน์คำโทษที่เกิดคำพูดที่เป็นโทษกับตัวเราและผู้อื่นดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีมีเครดิตมีความเชื่อถือไว้วางใจได้เราต้องพูดแต่คำพูดที่ดีเช่นพูดสัตพูดความจริง พูดด้วยความสุภาพพเพื่อให้เกิดประโยชน์นี่คือคําพูดที่เราควรจะพูดกันเรียกว่าสัมมาวาจาแล้วข้อที่ห้าเราก็ต้องมีอาชีพที่ชอบอาชีพที่ถูกต้องอาชีพที่ชอบก็คืออาชีพที่ไม่ไปทำลายชีวิตของผู้อื่นหรือส่งเสริมการทำลายชีวิต หรือส่งเสริมการสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเช่นอาชีพขายสุรายาเมาอย่างนี้เป็นตน้นเป็นอาชีพที่เราไม่ควรทํากันไม่ควรเพราะผู้ที่ซื้อสุรายาเมาเมื่อดื่มเข้าไปแล้วก็จะทําให้เกิดอาการมึนเมาไม่มีสติพอที่จะประครับประคองควบคุมความคิดควบคุมการพูดการกระทาของตนได้ คนที่ดื่มสุราแล้วมักจะไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นและตนเองเช่นไปพูดวงาจาหยาบคายแล้วก็ต้องเกิดการทะเลาะเบาแหวงเกิดการทุบตีกันเกิดการฆ่ากันตามมาหรือถ้าไปขับรถในขณะที่มึนเมาก็จะเกิดอุบัติเหตุทำให้ตนเองและผู้อื่นนั้นเจ็บหรือถึงแก่เสียชีวิตไป นี่คืออาชีพที่เราไม่ควรทำอาชีพที่ทำให้เกิดโทษแก่ผู้อื่นเช่นการค้าสุรายาเมาค้ายาเสพติดค้าอาวุธต่างๆที่เอาไว้ใช้เข็นฆ่ากันไม่ค้าเครื่องดักสัตว์ต่างๆที่เอาไปดักสัตว์เพื่อที่จะทำลายชีวิตของสัตว์ต่างๆไม่ค้าพวก ยาพิษต่างๆที่จะไปทําลายชีวิตของสัตว์ต่างๆนี่คืออาชีพที่เราไม่ควรทํากันเพราะว่าถ้าเราทําแล้วก็จะทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนทําให้ผู้อื่นเสียหายประโยชน์ที่เราได้รับนี้ก็จะไม่เป็นประโยชน์ที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วถ้าเราไม่ระมัดระวังเราก็อาจจะต้องกลายเป็นเหยื่อของอาชีพนี้ไปได้ ถ้าเราไปดื่มสุราเข้าเราก็จะติดการดื่มสุราแล้วชีวิตของเราก็จะมีปัญหามีเรื่องราวต่างๆตามมาถ้าเราไปซื้ออาวุธมาเพื่อป้องกันตัวเราดีไม่ดีเราก็อาจเอาอาวุธนี้มาทำลายตัวเราเองเช่นเวลาเราเสียอดเสียใจทุกข์ใจมากๆคิดอยากจะฆ่าตัวตายเราก็จะใช้อาวุธที่เราซื้อมาป้องกัน ตัวเรานี้มาฆ่าตัวเราเองได้ดังนั้นขอให้เราอย่ามีอาชีพที่ไม่เป็นสามมาชีพนี่คือข้อที่หข้อที่7ดก็คือให้เรามีความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องขยันหมั่นเพียรในทางใดถึงเรียกว่าเป็นความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องก็คือให้ขยันทำบุญขยันละบาป ข, ขยันขยันรักษาศีล ขยันชำระใจของเราให้สะอาดด้วยการขยันนั่งสมาธิขยันเดินจงกรมขยันฟังเทศฟังธรรมเพราะการการกระทําเหล่านี้จะทําให้จิตใจของเราดับความทุกข์ต่างๆไปได้หมดอย่าไปขยันหาเงินหาทองขยันใช้เงินใช้ทองขยันเที่ยวขยันหาความสุขทางตางตหูจมูกเล่นกาย พาอเป็นเหมือนกับการไปเสพยาเสพติดนี่เองเสพไปเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอจะต้องเสพไปเรื่อยๆจนวันตายพอตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่พราะมีความอยากที่จะเสพต่อไปเรื่อยๆนั่นเองดังนั้นขอให้เราอย่าไปหาความสุขจากการทาตามความอยากต่างๆ เพราะมันไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราเราต้องดับทุกข์ด้วยการทําบุญละบาปและชำระความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาเดินจงกรมด้วยการรักษาศีลแปดด้วยการออกบวชนี่คือความขยันที่เราควรจะมีกัน อย่าไปขยันในการสะสมสร้างภพสร้างชาติถ้าเราขยันทำตามความอยากก็เท่ากับเติมเท่ากับเราเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในกองไฟให้ลูกต่อไปอย่างไม่มีวันหมดสิน้นเราต้องหยุดการเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในกองไฟด้วยการหยุดกระทำตามความอยากต่างๆของเรานี่คือเรืยอความขยันที่เรียกแปลที่ภาษาบาลี เรียกว่าสัมมาวายามมคือความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องและความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องก็ต้องขยันในข้อที่8คือการมีสัมมาสติการที่เราจะมีสัมมาสติคือความราลึกรู้ที่ถูกต้องได้ก็คือเราต้องมีความขยันเจริญสตินั่นเองการเจริญสตินี้เป็นอย่างไร ก็คือให้เรานึกรู้อยู่ในปัจจุบันอย่าให้เรารู้ในอดีตรู้ในอนาคตเพราะการรู้อดีตรู้อนาคตนี้ทำให้ใจเราฟุ้งซ่าทํทำให้ใจเราว้าวุ่นขุัญมัวถ้าเรารู้อยู่ในปัจจุบันนี้ใจของเราจะไม่ฟุ้งซ่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราฟุ้งซ่า เราไปคิดถึงเรื่องอดีตคิดถึงเรื่องอนาคตแล้วก็ทําให้เราเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความทุกข์เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้าเรามีสติรู้เฉยๆอยู่ในปัจจุบันรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ใจของเราจะมีความว่าจะไม่มีอารมณ์ว่าวุ่นขุนมัวเช่นให้รู้ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ในทุกขณะทุกเวลาหรือจะให้รู้อยู่กับ การบริกรรมพุทธโธพุทธโธก็ได้ถ้าเราอยู่กับพุทธโธไปหรืออยู่กับการกระทำของร่างกายไปใจของเราก็จะไม่สามารถคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องของอนาคตได้เมื่อไม่คิดใจของเราก็จะไม่มีความวิตกกังวลว่าวุ่นขุ่นัวอดีตมันก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงเวลามันจะมาเวลาอะไรจะเกิด มันก็ต้องเกิดเราก็ห้ามมันไม่ได้แต่ถ้าใจเราอยู่ในปัจจุบันเราจะไม่หวั่นไหวกับการเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปเรามีหน้าที่รับรู้ก็รับรู้ไปเท่านั้นเองเพราะใจเราไม่ได้เป็นอะไรกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั่นเองไม่ว่าอะไรจะเกิดอะไรจะดับมันไม่ได้มาทําให้ใจเราเปลี่ยนไปใจเราไม่ได้กาไรหรือขาดทุน กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือดับไปแต่ถ้าเราไม่มีสติแล้วเราจะหลงคิดว่าเราได้เราเสียกับสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ดับไปดังนั้นเราต้องควบคุมใจของเราให้รู้เฉยๆอย่าไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราเป็นตัวเราเพราะถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วก็จะทำให้เราหลงยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ พอสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดดับไปหายไปเราก็จะเศร้าโศกเสียใจโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเราต้องมีสติอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่กับปัจจุบันเรียกว่าสัมมาสติและข้อสุดท้ายก็คือเราต้องมีสัมมาสมาธิคือใจเราต้องตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับอะไรก็ตั้งมั่นอยู่กับความสงบนั่นเองตั้งมั่นอยู่กับความนิ่ง ไม่คิดปุงแต่งเพราะเวลาจิตสงบนิ่งแล้วจะมีความสุขมากถ้ามีความสุขมากจิตก็จะปล่อยวางเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะดับไปถ้าใจมีความสุขอยู่กับความสงบแล้วจะไม่เดือดร้อนกับการเกิดหรือการดับของสิ่งต่างๆไปนี่คือสัมมาสมาธิคือความสงบใจเป็นกลางใจเป็นอุเบกขา สักแต่ว่ารู้รู้เฉยเฉยไม่คิดปรุงแต่งกับเรื่องอะไรปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นไปตามเรื่องของเขาเช่นฝนตกแดดออกก็ปล่อยให้ตกไปแดดออกก็ออกไปคนจะตายคนจะเกิดก็ปล่อยเขาเกิดไปตายไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเรามีความสุขอยู่ในตัวของเราแล้วพอแล้วถ้าเรามีสัมมาส ม, มาธินี่คือมรรคที่มีองค์แปด ที่เราควรที่จะเจริญกันให้มากมากถ้าเราเจริญได้แล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเจริญมรรคแปนดนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิิศพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์และความสุขที่ถาวรที่จะตามมาต่อไป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 Amen.